ปาติโมกขุเทสนุชานาว่าด้วยการทรงอนุญาตปาติโมกขุเทศเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงหลีเกรนอยู่ในที่สงัดข้อ่สมมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีเกรนอยู่ในที่สงัดได้ทรงเกิดความดำริขึ้นในพระไทยอย่างนี้ว่า ถ้ากระไรเราพึงอนุญาตสิขาบทที่ได้บัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เป็นปาติโมกขุเทศของพวกเธอปาติโมกขุเทศนั้นก็จะเป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอครั้นเวลายเย็นพระองค์เสด็จออกจากที่เร้นทรงแสดงเทมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราหลีกเรนอยู่ในที่สงัดหน้าที่นี้ ได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าถ้าใค ร, ารเราพึงอนุญาตสิกขาบทที่ได้บัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เป็นปาติโมคุเทศของพวกเธอปาติโมคุเทศนั้นก็จกเป็นอโบสักรรมของพวกเธอภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปาติโมขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกขึ้นแสดงอย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติกรรมวาจาว่า134ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงธรรมอุโบสถพึงยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงอะไรเป็นบุบพภิกขของสงท่านทั้งหลายพึงบอกปาริสุทธิข้าพระเจ้าจากยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงพวกเราบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟังให้ดี จงใส่ใจปาฏิโมกนั้นท่านรูปใดมีอาบัตท่านรูปนั้นพึงเปิดเผยเมื่อไม่มีอาบัตพึงนิ่งด้วยความเป็นผู้นิ่งข้าพเจ้าจะทราบว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิก็การสวดประกาศถึง3ามครั้งในบริษัทเช่นนี้เป็นเหมือนการเปิดเผยอาบัตของภิกษุแต่ละรูปที่ถูกถามก็เมื่อกําลังสวดประกาศถึงครั้งที่3ภิกษุใดระลึกได้ยังไม่ยอมเปิดเผยอาบัตที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้นท่านทั้งหลายก็สัมปชานมุสาวาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมที่ทำอันต ร, รายเพราะฉะนั้นภิกษุต้องอาบัติแล้วระลึกได้หวังความบริสุทธิ์ก็พึงเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่เพราะเปิดเผยอาบัติแล้วความพาสุขย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น